การเห็นธรรมจิตก็คือธรรมธรรมก็คือจิตธรรมก็คือกายกายก็คือธรรมการเห็นธรรมเห็นตลอดเวลาแต่เห็นธรรมที่มีอาการต่างๆที่เราอาจจะเห็นเป็นอาการอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เห็นเพียงครั้งเดียวเท่านั้นพอเห็นแล้วมันก็ได้สติได้สติแล้วก็มาเห็นธรรมอีก เห็นอยู่ที่มือที่เท้าที่หัวที่ตาที่หูจมูกลิ้นกายใจอันนี้ก็คือธรรมบางคนได้อุคหานิมิตได้นิมิตติดตามันก็ติดตาไปเรื่อยๆมองดูตัวเองก็กระดูมองคนอื่นก็กระดูเสร็จแล้วนานๆเข้ามันก็หายไปก็ยังเหลือแต่ความทรงจํานี่ก็เห็นธรรม สมมุติว่าเราเคยดื้อกับพ่อกับแม่จิตมันได้ความรู้ขึ้นมาว่าสิ่งนี้เราเคยทำผิดต่อพ่อต่อแม่มาแล้วมันไม่ดีเราไม่ควรทำซ้ำอีกอันนี้ก็รู้ทำเห็นทำคือมันรู้ว่าการทำกับพ่อกับแม่อย่างนี้ไม่ดีแล้วจิตมันก็เห็นด้วยกับความรู้นั้นว่ามันไม่ดีแล้วก็ไม่ทําอีกอันนี้ก็คือได้ดวงตาเห็นธรรม